เกี่ยวในเรื่องของการศึกษาคุณของพระผู้มีพรภาคเจ้าก็ไล่มาตามลําดับที่นี้ในการศึกษาคุณของมุทิเจ้าได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของเหตุสัมปทาผลสัมปทาเหตุสัมปทาก็ได้กล่าวไว้แล้วพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการมาเป็นโพธิสมภานสามสบทัศน์แม้มหาวิปัสสนาญาณและสัพพยุทธญาณก็เรียกว่าที่เรียกว่ามหาวชิระญาณปัญญาดังกาถาเพชรที่มีจํานวนสองล้าน สี่แสนโกดสมาบัติอันพระองค์ให้เกิดขึ้นนคกว่องโพธิพืชก็นักเข้าในเหตุสัมปทานยันมหาวิปัสสนาญาณที่เป็นประธาฐธานของโพธิญาณอันประเสริฐคืออรหัตมัคายนโดยแท้ก็นักเข้าในเหตุปะหานสัมปทานทีนี้ส่วนผลแลสัมปทานนั้นก็คือปะหานะสัมปทานหมายถึงผลพร้อมด้วยการละญาณะสัมปทานถึงพร้อมด้วยญาณอานุภาวะ สัมปท า, าถึงพร้อมด้วยอนุภาพและก็รู ป, ปรกายจสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยรู ป, ปรกายนี่นะประหานสัมปท า, าได้กล่าวไปแล้วคือการละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาองค์ธรรมก็คือมรรคทั้งสี่นั่นแหละแต่โดยตรงก็คืออรรถธรรมขยานยานสัมปท า, าหมายถึงสัพพัญญุตญาและก็ทศพุรยญาส่วนอนุภาวะสัมปท า, านั้นหมายถึงพร้อมด้วยศีลคุณและอํานาจต่างๆ ที่ไม่อาจจะคาดได้ศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณหรือเกี่ยนในเรื่องของความวิราชทั้งหลายเนี่ยอนุภาอนุภาวะรู ป, ปรกายสัมปท า, าก็นี่ยแหละ32ประการและอนุพยัญชนะ80อาสยะสัมปท า, าก็รู้อภิยาศายของสัตว์ประโยคสัมปท า, าความบริสุทธิ์ในการแสดงธรรมฉะนั้นสัมมาสัมพุทธะก็คือตรัสรู้โดยชอบและโดยด้วยพระองค์เองเป็นต้นนี่ก็เข้าใจเลยนะ ก็ไม่มีอะไรติดขัดทีนี้ที่เราขยายความกันก็คือว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็อธิบายเรื่องศัพท์สัมมาสังและก็พุท ธ, ธะสัมมาเป็นนิบาต ท, ที่มีอาจว่าชอบแปลถูกต้องเราตัดทารุแล้วได้ทรงรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมที่แยกเป็นสังกัตธรรมและสังกัตธรรมนั้นสิ้นรู้แจ้งลักษณะ พร้อมทั้งกิดตามความเป็นจริงนี่นแหละส่วนคําว่าสั่งเนี่ยมาจากคาว่าสามังนะเหมือนกันเนะ่ยเหมือนคําว่าสามมังด้วยพระองค์เองนั่นแหละแต่สรุ้เยยธรรมด้วยสยามภูญานที่เกิดจากความที่พระ อ, องค์สั่งสมบา ร, รมีมาใช่ไหมบา ร, รมีที่ปราศ จ, จากครูเนี่ยเรารู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครแล้วว่าเป็นอาจารย์นั่นเองนั่นแหละก็ขยายไปแล้วส่วนคําว่าพุท ธ, ธะนี่มาจากคาว่าพุท ธ, ธะ ธาตุและกตะปัจจัยเป็นศัพท์กัตตุสาธนะมาจากคำว่าสัพพะดัมมาพุทธิติพุทโธพุทธะก็คือผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงองค์ธรรมของธาตุและปัจจัยที่ดังที่ได้ ก, ก็คือสัพพัยุตยานโดยตรงนะหมายถึงจิตุบากที่เกิดขึ้นก่อนสัพพยุตยานที่ประกอบไปด้วยโยนิโสมนัิการเป็นต้นอันนั้นว่าโดยโดยอ้อมไปเป็นคาสำนวนที่กล่าว ถึงผลแต่มุ่งหมายถึงเหตุสัพพยเตยานเนี่ยนะเหตุคือจิตุบาทที่เกิดขึ้นก่อนสัพพยเตยานและผลถึงจิตุบาทที่เกิดและหมายถึงจิตุบาทที่เกิดขึ้นภายหลังจากสัพพยเตยาน น, นั่นก็ได้ขยายความตรงนี้ไปตัปัจจัยก็หมายถึงรูปนามที่ชาวโลกบัญญัติว่าเป็นพรพุทธเจ้านั่นแหละเนื่องเนื่องด้วยข้อความโดยตรงโดย พูจาและแล้วกรรูจาแล ะ, ะเหี่ยนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นั้นหมายถึงอะไรอะ่ะก็คือรูปนาำแม่ใช่ไหมก็คือรูปน้ำนั่นเองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณของท่านผู้นั้นแหละใช่ไม่ใช่ท่านผู้นั้นคือใครก็คือท่านผู้ได้บําเพ็ญบารมีมายี่สิบอสมขา ย, ยิ่งด้วยแสนกับ รูปนามที่เกิดดับสืบต่อกันมาโดยตลอดสายและไม่ยอมปรินิพานชั่วทีนั่นแหละรูปนาอันนั้นแหละรอมาตั้งยี่สิบอสงไข่นั่นแหละแต่ไม่ได้รอมาแบบคนไร้หยุดหมายในรูปนามอันนั้นนะ่ะมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะขนโลดรูปน้ามอื่นๆในการที่จะ้นจากกระแสของสังสารวัฏเป็นต้นด้วยรูปนามนั้งเป็นที่ตั้งของอรหัมัคคยาในอาราัตผลนั่นแหละ และในส่วนจริงรูปนามอันนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญตญาณคือมหากริยาไหมถามว่ามหากริยาใช่นามไหมนามเก่าคือมหากริยาที่เรียกว่าสัพพัญญตญาณนั้นน่ะมีมโนทวารวัชนะเป็นเป็นโยนิโสมนสิการะอย่างบริบูรณ์ทีนี้ในรูปณในนามนธรรมเหล่านั้นก็ใสห่หัทยายวัตถุหัทายวัตถุ ก, ก็ใส่มหาพูดเป็นไปอยู่สรุปแล้วก็คือขันห้านั่นเอง ที่สมมุติเรียกว่าพระพุทธเจ้าทีนี้การที่จะเรียกรูปนามนั้นขันห้านั้นว่าเป็นพระุทธเจ้านั้นน่ยอันนั้นได้มาเองนะได้มาเพราะประดับไปด้วยคุณคืออาสาธารนัยานหกที่เรียกว่ารวมไปเสร็จพุทธยานสิบสี่นั่นเองเวยนิกระทามสิบแปดเวสารัชยาน 4, สี่ทศปุรยานสิบเป็นต้นและที่ประดับไปด้วยคุณอย่างหลากหลายอนเนกนานับประการซึ่งไม่สามารถจะ จะคำนวณได้สติปัฏฐานก็หลังไหลออกมาจากรูปนามนั่นแหละสัมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พราพทุทธชงอริยามรรยงแปดใช่ไหมพระวินยัยอุปปฎกสองหมืหนึ่งพันพระธรรมอาคารก็หลังไหลออกมาจากกระแสคัมรูปนามนั่นแหละพระสุตตันตปิฎกสองหมนึ่งพันพระธรรมอันารก็หลังไหลออกจากกระแสคัมรูปนามนั่นแหละพระอภิธรรมอุปปฎกสี่หมืน 40, ม่นสพันพระธรรมอาคารใช่ไหม ก็ลังไหลอ่ะพระวินัยสองม่นหนึ่งพันพระสูตรสองหมื่่งพันใไพระวิธรรมก็สี่หมสองพันรวมเป็นพระตรายปีดกแปดหมื่พันพระธรรมขันธ์ก็ลังไหลมาจากกระแสะของนามกระแสะของรูปเหล่านั้นแหละถามว่ากระแสะของนามอะไรตัวมาก็มหากริยาญาณสมยุทธ์มหากริยาญาณสมยุทธ์ที่เป็นสอมณฑลนั้นเรียกว่า สัพพยุตญาณเห็นไหมสัพพยุตญาณ น, นั้นอาศัยเจตสิกธรรมประกอบพร้นุลกก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตั้งอยู่บนรู ป, ปรขันธ์นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแต่รูปนามอันนั้นตอนนี้ปรินิพานแล้วใช่ไหอนุปปาทาปรินิพานแปลว่าดับโดยไม่มีส่วนเหลือสงบเย็นไม่มีรูปนามนามเหล่านั้น กิ ด, ดับในสังสารวัฏอีกต่อไปหรือจะเพียงตํานานเล่าขานใช่ไหมแต่พระธรรมที่รูปนามอันนั้นรูปนามรูปนามนั้นได้หลั่งไหลออกมานั้นยังมีอยู่กลายเป็นพระศาสดาก็คือพระธรรมตอนนี้พระธรรมของพระบรมศาสดาตอนนี้ก็กําลังทํากิจอยู่แั้นครัรูปนามนั้นก็ยังทํางานอยู่ว่าโดย ว่าโดยว่าโดยในดิอ้อมเนี่ยใช่ไหมพระธรรมของรูปนามที่หลั่งไหลออกมาก็ยังก็ยังดังอยู่ในห้องใจของภรริยะบุคคลและกะัลยาณบุรุษชนทั้งหลายที่ไดเหล่าน้อ ม, น, อมน้อมที่เป็นสังฆใช่ไหมรูปนามที่เป็นพุทธหลั่งไหลพระธรรมคือปริยัติสัจธรรมแล้วก็มรรคสี่พ้สี่แล้วก็นิพานออกมาแล้ว ทีนี้สภาวะสังขะแหะสภาวะพุท ธ, ธท่านทำกิจของท่านอยู่สภาวะธรรมะก็กําจัดเนื้อทให้สัตว์พ้นจากกันดารกาวคือชาติทุก์ชรลาทุกมรณะทุกอยู่แล้วก็สภาวะสังขะก็เป็นเนื้อนาบุญของเรากายาณบุรุชน ล, ล้งเราเวนัยชนอยู่แต่เวนยชนที่เป็นบุรุชนเนี่ยที่จะน้อม กระแสขันของตนเองให้เข้าถึงสภาวะเป็นสังขาอันนั้นมีอยู่ไหมมีอยู่ใช่ไหมก็ต้องตั้งสัตทินซีวิริยินซีตะสตินซีแล้วก็สมาตินซีปัญญซีในกระแสรูปนามนั้นให้มั่นเพื่อจะทําทรูปนามนี้ให้เข้าถึงสภาวะเข้าไปวิจัยอะไรวิจัยพัดวิจัยขันเพื่อจะได้เห็นอะไร จะได้เห็นสินสินคุณสมาธิคุณปัญญาคุณใช่ไของพุทธเจ้าแล้วจะได้เข้าถึงสภาวะโลกุตละเสทีแต่การที่จะเข้าไปวิจัยได้ต้องมีพระปรียธรรมหรือพทธเจ้านั่นเองเนี่ยเป็นพทะเจ้าเี่ น, นาอันนั้นคือว่าโดยสภาวะประมะาเทียที่คิดได้ตอนนี้นะก็เป็นอย่างนั้นก็เราจะได้เออมีเป็นอย่างนี้ก็มาบัญญัติว่าพระเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็คือรูปนามนี้อุบัติเกิดขึ้นมา พระธรรมของที่พระบ ร, รมศาสดาตรัสบอกก็คือมรซี 4, ผลซีนิพานหนึ่งมรนั่นคือทางผลนั่นก็คือผลใช่ไหมที่เกิดขึ้นจากมารทีนี้มรเนี่ยถ้าโลเกียรมรนั่นเป็นทางดําเนินจนมรที่เป็นโลกุตระนันเกิดได้เพียงครั้งเดียวใช่ไหมที่ผลก็เกิดได้หลายครั้งหลังจากมีสมาบัติเป็นภไยแต่สภาวะของมรกับจิตและจิตก็ประมีนิพานเป็นอารมณ์ นั้นถ้าตุว่าได้สัมผัสตรงนั้นเมื่อไหร่กิเลส ก, ก็หลุดเจ๊ะไหกิเลส ก, ก็หลุดจากกระแสะของฐานธาตุอะไรทั้งนั้นนี่เป็นนี้แต่ถ้าตรงนี้ก็เมื่อเราเห็นนับอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตัดสรู้สรรพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วยพระองค์เองตัดสรู้์ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ยิ่งก็คือตัดสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมูทัยนิโรธมร และก็ตัดสูตจิตเจตสิกรูปนิพพานตลอดถึงบัญญัติต่างๆที่เป็นเหตุให้รู้ถึงเนื้อความเหล่านั้นได้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีบัญญัติแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้เนื้อความของจิตเนื้อความของเจตสิกเนื้อความของรูปและนิเนื้อความของนิพพานได้เลยหมดโอกาสยันเด็คาต้องอาศัยบัญญัตินี่แหละต้องอาศัยพระธรรมนี่แหละพระปฏิยติธรรมนี่แหละในการที่จะเป็นตัวเจาะเข้าไปในการที่จะเข้าไปแทงตลอด สัสจจะคือความจริงด่าวุอทุกเป็นต้นเหล่านั้นให้เข้าใจความเป็นจริงและเจริญสมุทัยเป็นต้นด้วยเป็นธรรมอันควรรู้ด้วยพระญาณอันวิเศษด้วยความเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและโดยข้อเบเปตเตอร์มีลักษณะรักษณะปิจุตฐานประทัดฐานของธรรมเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรกาหนดรู้ได้แก่ตรัสรู้ทุกสัตว์โดยความเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้ ตัศรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรละโดยความเป็นสมุทัยสัจจะได้แก่ตัณหาด้วยความเป็นธรรมที่ควรละตัศรู้ธรรมทั้งหลายอันทำให้แจ้งซึ่งหมายถึงนิโรธาสัจจะได้แก่ความดับทุกข์คือพระนิพพานโดยความเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งตัศรู้ธรรมทั้งหลายอันควรเจริญอันได้แก่มรรคมีองแปดมีสัมาทิฏี่เป็นต้นเนะนะจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดอันเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์โดยชอบโดยความเป็นธรรมที่ควรเจริญสมดังที่พร ผู้มีพระภาคเนีนะพระดารัที่ตรัสไว้ในมันชฌิมนิกายมัชฌิมา น, น, นาตบอกว่าตัสมีเอวังชานาโตเอวังปัสตโตกามาสวาปิจิตตังวิมุตจิธถาภาวาสวาปิจิตตังวิมุตจิธถอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตจิธถาแล้วก็วิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธตาญาติ อภัตอภันญาสิบอกว่าเมื่อเรารู้เห็นอริยาสัจสีอย่างนี้จิตถึงหลุดพ้นแม้จากกามาสะวะแม้จากพวาสะวะแม้จากอาวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วได้มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปถามบอกว่าชาติไหนสิ้น ชาติไหนสิ้นคำว่าชาติสิ้นแล้วในชาติไหนชาติอดีชาติปัจจุบันหรือชาติอนาคตใน อ, อในคำภีอภิธรรมมาวตารในชั้นของดีกานะเป็นดีกาใหม่หรือไงท่านหมายถึงชาติอนาคตแต่ถ้าหากว่าในดีกาวิสุทธิมรักษ์บอกว่า ชาติอดีตก็ผ่านมาแล้วชาติปัจจุบันก็กําลังดําเดินไปอยูแล้วก็ชาติอนาคตก็ยังไม่มาไม่ถึงฉะนั้นไม่เรียกว่าชาติปัจจุบันอดีตและอนาคตแต่ชาติอันเนื่องด้วยเอกโวกราชาติจตัวกราชาติปัญญโวกราชาติเป็นต้นไม่มีอีกต่อไปไม่มีแล้วทันที่ใมีการต่างกันนิดนแต่สรุปแล้วก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่า จะบอกว่าชาติในอนาคตไม่มีอีกต่อไปก็ไม่ผิดใช่ไหมชาติสิ่นแล้วก็คือปฏิสนธิชาติชาติสิ้นแล้วใช่ไหมปฏิสนธิชาติจะไม่มีต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกโวกราชาติที่ม er. ีขันหนึ่งจะตัวกราชาติที่มีขันสี่ปัญจโวกราชาติท <ials> ี่มีขันห้าอันเป็นไปในการมมาพบรูปประพบแล้วรูปปพบ จะไม่มีเอากาโวกัลลคันเจตโวกัลลคันแล้วก็ปัญจโวกัลลคันนี่แหชาติเหล่านี้สิ้นแล้วพระอาจันย์อยู่จบแล้วมรรคพระมกจันย์ไม่ต้องทําโสดาปิมารคอีกต่อไปแล้วอรัตมาริกจบแล้วไหมกิจที่ควรทํากิจสิบสี่กิจสิบหกข้อแรกใช่ไหมในโสดาปิมารคกสี่สกัทาคามีมาริกสี่นาคามาริกสีอรัตมารกอีกสกิจในการที่จะรอบรู้ทุกข์ละสมูทายทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมอริมาร พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีแต่พวกเรามีกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่กิจในการรอบรู้ทุกข์ศาตร์กันเยอะหมดเลยมันยังเป็นโทษอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเนี่ยนะไม่รู้กิตอะไรก็ไม่ไม่ใช่กิจในการที่จะรอบรู้ทุกข์นั้นกิตเหล่านั้นไม่ใช่กิจที่ควรไม่เพียงกิจในการที่จะละสมุทัยไม่ใช่กิจที่ควรจะทํานิโรธให้แจ้งไม่ใช่กิจอบรมอะเรียมาร์ ฉะนั้นถ้าหากเราปฏิเสธกิจนอกนี้ได้ให้มากๆแล้วก็มาทํากิจเหล่านี้ให้มากๆชื่อว่าเป็นพุธพทธบริษัทจริงๆแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่นะเราจะเข้าใจกิจเหล่านี้สักทีใช่ไหมจะเห็นกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่กิจอื่นไม่มีประโยชน์เนาะมีเพียงเราจะเลี้ยงขันขันนี้หมา ย, ยุงยากเหลือเกิเนกิจในการดูแลขันใช่ไหมแต่แล้เอ มามณสิการใหม่ได้ไหมเราจะดูแลรู ป, ปรขันเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธภ า, าระอนนนนันหนักเนี่ยขันธ์ทั้งห้าเป็นหนักทันเนี้ยในขณะเดียวกันเราก็จะรอบรู้ทุกขสัตว์ไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันจะพยายามตัดวงจรสมุทยาสัจจะไปด้วยและในขณะเดียวกันเราจะทํานิโรธสัจจะด้วยความเป็นอัธยาศัยให้ตั้งมั่นด้วยในขณะเดียวกันเราจะครอบครูนอริยมรร พ, พ่อคูณศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่นิโรธสัจจะให้ชัดเจนกว่า น, นี้ด้วยเนี่ยเหมือนท่านมานาสิการคิดยินดีได้ทุกวันเหมือนเนี่ยแล้วก็มุ่งตรงต่อสัมมาสัมพุทธโธสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยนะบอกเหมพุทธเจ้าตัดสรู้ชอบได้แล้วก็สอนให้เราได้รู้ตามด้วยตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าความหมายคําว่าพุทธะสภาวะตัสั้นรู้ลิขิตที่ปรากฏชัด ในเสรสูตรคุตการนิกายสุตตธิบาทบอกว่าอภิญเยยังอภิญญาตังภาเวตพันเจภาวิตังปะหาตพังปะีนังเมตตสมาพุทธโสมีพระมนาตีดูก่อนพรามทมที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่งแล้ว ทำที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วทำที่ควรละเราก็ได้ละแล้วเพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นพุทธะเราจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะนะพุทธะเราจึงชื่อว่าเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้อริยสัจไงใช่ไหมนี้แหละเราจึงชื่อว่าพุทธะจากพุทธพจน์นี้เห็นว่าพระองค์นั้นปติญญาณคือทรงยืนยันพระองค์เป็นพุทธะเนียเพราะเหตุนั้นแหละ ก็ทรงยังรู้อริยสัจคือทุกข์คือความจริงคือทุกข์สมูทายความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาสามสิบหกที่ไหลไปในอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นตัณหาร้อยแปดนี่แหละที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นนิโรธสัจจ์ความจริงคือความดับทุกข์คือพระนิพพานมรรคสัจจ์ความจริงคือทางดับทุกข์ได้แก่อริยมรตมีองค์แปดดังกล่าวพระองค์จริงกล่าวยืนยันอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้ว เราเป็นพุทธะเพราะรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดและอาการที่อย่างรู้นั้นก็เป็นการรู้โดยไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใดไม่นานอบนอบจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แบบไม่ผิดพลาดนี่นี่ยอันหนึ่งพระพระองค์ในได้ตรัสรู้ทำทั้งหลายทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองนั่นแหละพระองค์จึงบรรลุญาณที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานอันเป็นเหตุให้บัณฑิตขนานนามพระพุทธเจ้าว่าสัพพัญยูรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เรียกอีกอย่างว่าสัพพะวิทูรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกแยกสัมมาสมัมพุทธะตรัสรู้ใหญยธรรมทั้งปวงคือสังขารวิการลักคณานิพานบัญญัติหรือตรัสรู้อริยสัจเจธรรมทั้งสีตรัสรู้ธรรมทั้งปวงที่รวมเรียกและก็แยกกันเป็นคราวเดียวกันหรือเป็นไปตามลําดับตามสมควรแก่ภาพประสงค์เป็นไปโดยชอบและด้วยพระองค์เองท่านกล่าวไว้ในดีกาเนะยาวะกะตังใหญ่ยัง ตาวะกะตังยานังยาวะ ก, ะกะตังยานังตาวะกะตังเยยยังเยยยะปริยันติกังยานังญาณปริยันตังปริยันติกังเยยยันติเอวะเมกัตชังวิสุงสกิงกเมวกเมณวาอิจฉาอิฉานุรูปังสัมมาสามมสัพพธรรมานังพุทธท พุทธตาสัมมาสัมพุทโธบอกว่าพระพูทธมีภาคนามว่าสัมมาสัมพุทธาพุทัสลุธธรรมทั้งปวงโดยชอบและโดยพระองค์เองตามสมควรแก่พระประสงค์รวมกันบ้างแยกกันบ้างคราวเดียวกันบ้างตามลําดับบ้างอย่างนี้คือสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพยานก็มีประมาณเท่านั้นพยานมีประมาณเท่าใดสิ่งที่ควรรู้ก็มีประมาณเท่านั้นพยานมีสิ่งที่ควรรู้เป็นเหตุ ท, ที่สุดรอบสิ่งที่ควรรู้ก็มีพยานเป็นที่ สุลอกสรุปกว่าวิธีนอบน้อมวิธีนอบน้อมจะทำาัสรุปก็คือว่าสัมมาสัมพุโทโธผู้ตัดทะรู้ชอบโดยพระองค์เองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งพระปัญญาคุณนะดูปัญญาของพพุทธเจ้าที่จริง เมื่อเรียนรู้เข้าใจในคุณต่างๆเหล่านี้เวลาเราจะบริกรรมจะตั้งสติโอ้ตี้งกันงนะจะตั้งยังไงเราจะตั้งสติปาราลบถึงพุทธคุณโดยส่วนหนึ่งแล้วก็หน่วงเหนียวเอาพุทธคุณมากระทำให้เป็นอารมณ์เปล่งวาจาสาธยายเนี่ยสัมมาสัมพุทโธ ในขณะที่แปลงสมมาก็นึกระลึกถึงคุณของผู้ได้เจ้าด้วยความเคารพด้วยนอบน้อมอยู่ในจิตว่าพระองค์มีปัญญาหาที่สุดมิได้ดังกล่าวมาแล้วอันนั้นเป็นมโนมโนปนามมโนปนามเนาะนอบน้อมด้วยจจถ้ากายถ้าว่ากายกรรมยกขึ้นก็เป็นกายกรรมวัจีกรรมเปลงก็เป็นวัจีกรรมเนาะด้วยในขณะที่เรานอบน้อมเนี่ยเราจะเห็นพระปัญญาคุณของผู้ได้เจ้านะ ที่จริงตอนนี้ยังไม่ได้แยกนะสัมมาสัมพุทธะนี่ถ้าแยกจากขูจากขูสมุททยาจากขู่นิโรธะจากขูนิโรธคามินีปฏิบัติโอ้โหถ้าแยกนี้ยิ่งจะเห็นว่าปัญญาคุณฉะนั้นในขณะที่อยาขยายคิดอริยสัจทีไรทุกครั้งให้คิดถึงคําว่าสัมมาสัมพุทโธอริยสัจปรากฏทุกครั้งให้เห็นว่านั่นแหละคือสัมมาสัมพุทโธพระ อ, องค์ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบแล้วก็ได้ด้วยพระ อ, องค์เอง ไม่วิปลิตถามว่ามีสัตว์โลกท่านใดไหมเห็นอริยสัตจแล้วคิดถึงอำว่าสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้อความเป็นอันเดียวกันเห็นการตัดรู้อริยสัต์กับความเป็นอันเดียวกับคําว่าสัมมาสัมพุทโธจะแจ้งชัดในกระแสใจเขาได้ยังไงใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นสัตทินรียตั้งขึ้นในบทว่าสัมมาสัมพุทโธและในขณะเดียวกันก็ระลึกถึง อริยสัจ ท, ที่ผู้องค์ทรงตัดสรุปทีนี้ว่าถามว่าในชีวิตจริงของเราไปหนะ้าที่ไหนตรงไหนบ้างไม่มีอริยสัจถามว่าตรงไหนบ้างทุกขสัจไม่เคยปรากฏเนะี่ยตาคิดถึงตาคิดถึงหูคิดถึงจมูกถึงลิ้นถึงกายถึงใจไหมจกักรคูอ่ะคิดถึงจกักรคูจักรคูเป็นทุกขสัจนะใช่ไหมปัจจัยทั้งหลายที่ทําให้จักขคูเกิดขึ้นเป็นสมุทยัทยสัจะนะ ถ้าดับจากขูแล้วก็ดับตัณหากรรมหรืออาวิชาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยจากขู่เกิดเป็นจากขู่นิโรธนะถ้าหากว่าทำศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปฏิปทาให้ดาเนินไปเพื่อเข้าถึงนิโรธอันนี้เป็นมากถามว่าคิดตรงนี้ได้แล้วสัมมาสัมพุทธโธปรากฏกระจายของท่านด้วยอย่างถ้าปรากฏกระจายของเราท่านทั้งหลายในขณะนั้นเห็นอริยสัจด้วยเห็นคุณของคำว่าสัมมาสัมพุทโธ เนี่ยเขาจเจริญอริยสัจกันแบบนี้แหละเขาจึงได้สัจตินทรีในตถาคตโพธิสัต tha าก็ใช่ไหมเออในอดีตที่ผ่านมานยาวไกลเราไม่เห็นอริยสัจและไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะแล้วจะตัดสโลตามพระพุทธเจ้ามั น, ม, นมันเรื่องแปลกมากยิ่งคิดไปก็ยิ่งไกลจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าคิดแล้วเราก็เริ่มจะใกล้คิดพระพุทธเจ้า อย่างนี้ซึ่ชื่อว่าบัณฑิตไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็จะไม่ละเว้นบัณฑิตผู้นั้นเริ่มจะมองเห็นข้อปฏิบททัติได้ยังเนี่ยนี่ข้อปฏิบัติคืออย่างนี้นี่สอนข้อปฏิบัติสัมมาสัมพุทโธแล้วให้เห็นอริยสัจไหนะใช่ไหมจเจริญพุทธคุณตั้งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมอ่ะวิจัยเลย อันนี้ทดลองตัวอย่างเนี่ยนะเอาวิจัยยังไงก็หนึ่งต้องรู้ใช่ไหมถามว่าต้องรู้คำว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าคำสัมมาสัมพุทธะที่เป็นไปในส่วนของผลหมายถึงมหากริยาญาณนะสัมปยุทธใช่ไปช่ในส่วนที่เป็นเหตุก็เริ่มมาเยอะเลวแต่โยนิโสมรดิกาเป็นต้นดำระดับเนาะ เราไล่มาอย่างไงก็ได้ไอ้ยังไงก็ได้งไงไดต้องมีทิศมีทางด้วยนะอะโยนิโสมาดนสิการนู้นก็ได้แล้วพอมีโยนิโสมาไดพอได้ฟังพระสัทธรรมใช่ไหมครบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัตธรรมเกิดโยนิโสมานสิการพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัจจัยเกิดร้ายเป็นปัจจัยเกิดร้ายใช่มฉะนั้นพอถามว่าครบพระพุทธเจ้า อยู่ในถิ่นที่สมควรคบพระเจ้าปางพระธรรมเกิดศรัทธาใช่ไหมเกิโยนิสมนิการเกิดศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีล น, นะบเบ็ดเสร็จเป็นต้นเหล่านั้นศีลก็เป็นปัจจัยกับอวิปปิสารปราโมทย์ปีติปัสทธิความสุขสมาธิแล้วก็วิปัสนาญาณก็เดินเป็นไปตามนะครับปุ๊บใช่ไหมไลนตั้งแต่นามรูปปริเฆทยานไปจนถึงมรรคญาณผลญาตมรรคญาณเกิดครั้งแรกเป็นพระโสดาบันนะท่านผู้นั้นนะ คือกระแสขันของพษษุทิเจ้าพ่อโพธิสัตว์นั่นแหละเดินครั้งที่สองเป็นพระสกาทาคามีเดินครั้งที่สามเป็นบ้านนาคาเดินครั้งที่4นั่นแหละวิปัสนาญาณเหล่านั้นแหละเป็นประทัดฐานของสัมมาสัมพุธธทธโธที่เป็นไปในส่วนของเหตุคือมัดมาจากโยนิโศเป็นต้นเหล่านู้นและประการต่อมาก็คือเมื่ออรหัตมรรคเกิดขึ้นมาเบ็ดเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยอรหัตผลแล้วก็สัพพัญญตญาณคือหมากริยาญาณนสา ม, สมเนแทงทะลุทะลวงหมดตั้งเนี่ย แท้จริงก็มีมัรคยานนั่นแหละเป็นปัจจัยหนงที่ได้กล่าวอาจมรรคยานนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้ก็พิจารณาเลยก็พิจารณาถึงว่าและศรัทธาทีงเราท่านทั้งหลายที่ตั้งไว้ในสัมมาสัมพุโทโธที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยน้อมจิตใช่ไหมถามว่าจิตที่น้อมไปในขณะที่เห็นคุณของพระเจ้าในขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหน มีศรัทธามีเจตนาแล้วก็มีปัญญาถามว่าศรัทธาก็ดีเจตนาก็ดีปัญญาก็ดีที่มีการนอบน้อมเนที่การระลึกเป็นต้นเหล่านั้นน่ะถามว่ากระแสจิตที่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นน่ะเป็นมหากุศลใช่ไหมเออเป็นมหากุศลทีนี้มหากุศลจิตที่เกิดขึ้นที่เป็นไปในลักษณะนั้นมีสัจทินรียใช่ไหม มิสัตทินสีก็มาพิจารณาดูนุศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นที่ปรารบคําว่าสัมมาสัมพุทธโธในการที่พระองค์โดยตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการพร้อมด้วยสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้อริยสัจหรือสอนใหสัตว์โลกทั้งหลายได้ตัดสู้อริยสัจตามพระองค์เป็นต้นเล่านะเออถ้ามาพิจารณาในลักษณะที่เราได้ ตั้งสติเป็นต้นตั้งมหากุศลจิรุบะทเป็นต้นที่มีศรัทธาเจตนาและปัญญาเป็นประธานเนี่ยที่มีการนอบน้อมพระพุธมีพระภาคเจ้าทีนี้การนอบน้อมนั้นเป็นจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขนะในมหากรุสเนี่ยนะสามารถได้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนได้ไหมให้ฌานเกิดขึ้นได้ให้อภิญญาก็ได้ให้มรรคก็ได้ให้ผลก็ได้ ฉั้นมหากุโสจิตแปดวงคือมหากุาศ s ญาณสมยุติจิตสี่และมหาวิปากญาณวิปยุติจิตสี่เนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าบริหารให้ดีๆแล้วมีคุณของพระพุทธเจ้ามีคําว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นตัวเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยฉันในขณะที่มหากุโสจิตเดินไปอยู่อย่างนั้นน่ะถามว่าตอนนั้นน่ะใจของเราจะเป็นยังไงเอามากุศสจิตเทวาทเหล่านั้นน่ยที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับนั้นน่ะถามว่าปัจจัยฐานของมหากุโสดจิตเหล่านั้นเป็นปลาโมทนะ มาขดสุรจิตเนี่เป็นประธ า, ธานแก่ปาราโมดใช่ไหมเป็นไม่เป็นในขณะที่เดินพิจารณาไปเนี่ยเป็นประธ า, ธานแกปลาโมด ไ, ไ, ไหมเมื่อใครควรพุทธคุณ ม, มากๆเนี่ยปราโมดเป็นประธานแก่ปีติไหมปีติก็เป็นประฐานแก่ปัตสัตถิปัตสัตถิก็เป็นประธ า, ธานแก่สุขสุขก็เป็นประธานแก่สมาธิสมาธิก็เป็นประฐานแก่ยถาภูดยาณทัทสนะก็คือปัญญาหรือความรู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะ ยะถาภูตยานัทสนะก็เป็นประฐานแก่นิพิทาคือความเบื่อหน่ายนิพิทายานก็เป็นประฐานแก่มรขยานมรขยานเป็นประธานแก่ผลพายานผลพายานก็เป็นประธานแก่ปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานก็เป็นประฐานแกการบรรลุอนุปาทาผลิติพานพระเจ้าตรัสไว้ในวินัยบิดกนะวินโยสังวรวัตถายะสังวโรอวิปติสารัตถายะเป็นต้นอวิปติสารโรปามมชะ ฐายะปาโมชังปีติตัดฐายะปีติปัสสัทธฐานะเป็นต้นไล่ไปตามลำดับจนถึงอนุปาทาปริยพานัฐานะวิัยเพื่อประโยชน์แก่การสํารวมการสํารวมก็เพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนก็เพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชความปราโมชก็เพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติก็เพื่อประโยชน์แก่ปัสสติปัสสติเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขก็เพื่อประโยชน์แก่สมาธินะ สมาธิก็เพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูรยาณทัศสนะเป็นต้นยถาภูรยานัทนะเพื่อประโยชน์นิพิทาเวราคาวิมุตตินีวิมุตติญาทัศนะปัจเจกเพื่อประโยชน์แก่ระดับธนิษโดยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการนอบน้อมการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะนี่นะเมื่อระลึกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยพระองค์เองสอนให้บุคคลอื่นตัดสู้ตามด้วยเนี่ย จิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะครอบงำไม่ถูกโทสะรบกวนไม่ถูกโมหะรบกวนจิตของเธอก็ย่ม อ, มมม อ, อ, ยอมจะเป็นจิตที่ดิ่งถึงพระธารมคดเจ้าดำเนินไปแนวสู่อารมณ์ห่งสมถกรรมฐานเมื่อไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะรบกวนนิวรธรรมที่เหมือนจอกแหนหนาเนี่ยนะอกคลุมอยู่ก็จะค่อยๆ อ, อันตรธานหายไปบุคคล น, นั้นก็จะมีจิตผ่องใส ห่องแพ้วเหมือนสะโบกกรณีที่ใสสะอาดปราศจากดอกแหนในขณะนั้นวิตกวิจาร์ปีติสุเอกคตาก็เกิดขึ้นกาวคือเมื่อกระทำกรรมฐานปารวพุทธคุณอย่างนี้จิตก็จิตที่ถูกวิตกยกขึ้นตรึกในพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกวิจาร์ก็ทำการพิจารณาอยู่เนืองๆในบทพุทธคุณเหล่านั้น เมื world, anterior, ่อเป็นเช่นนี้ปีติความอิ่มใจก็เกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดขึ้นความกวนกวายทางกายทางใจของเธอก็สงบลงเนาะเมื่อความความกะวนกวายทางใจของเธอนั้นสงบลงแล้วเพราะปีตินั้นน่ะกําจัดเกิดขึ้นแล้วปัจสถานะคือความสงบกายสงบจิตก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วความสุขทางกายความสุขทางใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นในคุณของพระผูู้มพุทธเจ้า พระุทธเจ้าตรัสไว้นะบอกว่ายัติสมิงมหานามาสมัยเออริยาสาวโกโอเทากะตังอนุตรติเนวะสะตัสสมิงสมัยเอราคะปริถานาังจิตตังโหติเป็นต้นสุขีโนจิตตังสมาธิติเป็นต้นดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพระตรรมคตในสมัยนั้นจิตของอ ร, ริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะครอบงำไม่ถูกโทสะครอบงำไม่ถูกโมหะครอบงำ จิตของเธอก็มีความสุขตั้งมั่นเสมอแม้ว่าปีติที่เกิดขึ้นมีกําลังถ้าพิจารณาในลักษณะนี้ก็จะสามารถเป็นปัจจัยเกิการตอนนั้นจิตเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมถามเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็สมาธินั่นแหละเป็นบาปแล้วเธอก็เจริญวิปัสนาญาณ น, นะเออการเจริญวิปัสนาญาณเจริญยังไงนะสัมมาสัมพุทธโธเข้ามาวิจัยได้ หรือวิจัยสมาธิของเธอที่ตั้งมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นก็ได้อาการตั้งมั่นการพิจารณานั้นก็คือพิจารณาว่า อ, อจิตที่เป็นสมาธิที่มีปัญญาที่มีศรัทธาที่มีเจรนาในการที่ไปไข้ควรคุณของผู้มีพระเจ้ญญาที่เป็นสมาธิระดับอย่างนี้แม้เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ยังเป็นกลุ่มของนามธรรมที่กําลังเป็นไปอยู่เนาะในกลุ่มนามธรรมเหล่านั้นมีปัญญามีศรัทธา มีเจตนาโดยเฉพาะสัตทินรีย์ที่ตั้งมั่นในคุณของพระตถาคตในบทต่างๆมีอรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นหรือบทใดบทหนึ่งที่เราไปใคร่ควรแล้วเราเกิดความเข้าใจเมื่อจิตตั้งมั่นในเกิดขึ้นในขณะนั้นราคะไม่กุมรุมโทสะก็ไม่กุมรุมโมหะก็ไม่กุมรุมนะีทีนี้พอพ อ, พอพอสภาวะจิตนั้นมีสมาธิแล้วเกิดความตั้งมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นอย่างนี้เบ็ดเสร็จ ตอนนั้นถามว่าเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกันกับสังขารขันที่มีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเป็นต้นอะไรเนี่ยไหมตอนนั้นถ้าพูดไปก็คือสัตินทรียวินริสีสตินรีสมาินรียและปัญญรีนะที่เป็นไปในส่วนของอินทรีย์ทั้งหลายที่มีศรัทธาเป็นประธานหรือมีปัญญาเป็นต้นหรือมีเจนาเจตนาเป็นต้นที่มีความตั้งมั่นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มนามธรรมทั้งหลายนี่ยังไงคือกลุ่มของเวทนาขันนี่ยังไงกลุ่มของ สังขารละขันกลุ่มของสัญญาขันกลุ่มของวิญญาณขันนามธรรมเหล่านี้ที่เป็นไปอยู่นั้นอาศัยรูปธรรมเป็นไปใช่ไหมในพระธรมธรมคําสอนคือหทาที่วัตถุเป็นที่ตั้งของนามธรรมหทาที่วัตถุอาศัยมหมาพูดเป็นไปมหาพูดที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากโอุตโตเกิดจากอาหารเกี่ยวสมพันธ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่เนาะ ทีนี้รูปนามขันห้าที่กําลังเป็นไปอยู่ณนะปัจจุบันนี้มีเหตุนะไม่ใช่ไม่มีเหตุเป็นแดนเกิดเนาะเออมีอวิชชามีตัณหามีกรรมบอกโอ้ยรูปนามเหล่านี้นี่เองที่ไประลึกถึงคุณของพระผูู้ีพรุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุและเกิดจากปัจจัยนี่ไงที่พระเจ้าตัดวันนี้ทุกอพระเจ้าตรัสรูท้ทุกขสัตว์สัมมาสัมพุทธโธพระ อ, องค์รอบรู้ทุกขสัตว์ข้าพระเจ้าเข้าใจแล้ว คือทุกขสัตย์ในส่วนของการที่เป็นศรัทธามีปัญญามีเจตนาและสภาวะธรรมมีเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นต้นในกลุ่มนามธรรมเหล่านี้ที่เราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่สภาวะธรรมเหล่านี้ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงเหมือนกันเป็นทุกขสัตย์นะและทุกขสัตว์เหล่านี้ก็อาศัยนามมารูปธรรมเป็นไปอยู่รูปธรรมก็เป็นทุกขสัจจะทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเหล่านี้ มีตันหาในอดีตแล้วก็มีเอาวิชาแล้วก็มีกรรมเนาะโอ้ยตันหานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความวิจิตของรูปนามเหล่านี้ตันหาเป็นความวิจิตของกรรมที่ทําให้รูปนามเหล่านี้เป็นไปทั้งกรรมก็วิจิตและทั้งทุกขสัตว์ทึ่งเป็นรูปนามที่เป็นผลของกรรมก็วิจิตยอย่างนี้เนาะในขณะเดียวกันเราต้องการภาพเพียรในการที่จะทําอะไรจะทาํามร ตอนนี้เราได้มรที่เป็นโลกิยะในการที่จะดำเนินไปเพื่อจักไปกำหนดรอบรู้เห็นคุณของผู้มีพระเจ้าตอนนี้ปลาโมดปีติปัสสิเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ใช่ไหมเป็นนามธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทีแรกเราเข้าใจว่าโอ้เราจะทำจิตของเราให้เกิดปลาโมดปีติปสัสส thi ศรัทธาในพระเจ้ายัางตั้งมั่นยังไม่คลอนแคลนหรือไม่มีการเกิดดับที่ไหนได้ สภาวะเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะเหตุปัจจัยของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเข้าใจไหมการเข้าใจในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเห็นโดยปัจจัยนั้นการเห็นโดยปัจจัยในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นไปในลักษณะของญาติปิญญานแล้วก็เห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปในส่วนของทีนะน่าปิญญาเป็นต้นเป้าหมายเพื่อจะละสมุทัย แต่ทางการประหารที่ละได้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งและข้างเข้าใจการเข้าใจว่าเห็นโดยความเป็นนามเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาทางการวิญญาณและมีการสมมติว่าสัตว์บุคคลมีและการสมมุติว่าสัตว์บุคคลก็อาศัยรูปนามเหล่านี้ดําเนินไปเป็นต้นเหล่านี้ความเข้าใจตรงเนี้ยตอนเนี้ยทิฏฐิขาดมิจฉาทิฏฐิหรือสัจจะทิฏฐิมันขาดตัวลงแต่การขาดตัวลงอย่างเนี้ย ในด้านของมิจฉาทิถีภูมิเหล่านี้มันจะขาดเป็นระยะระยะเนี้ยการขาดเป็นระยะนี่เพราะว่าศรัทธาเจตนาและปัญญาไปทํากิจโดยเฉพาะปัญญาไปทําการไปทํากิจเห็นการวิจัยพอเห็นว่านี้ทุกตัณหาเป็นต้นนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกความไม่เป็นไปของตัณหาความไม่เป็นไปของนามรูปได้อย่างถาวรถึงจะเป็นความดับทุกขปฏิปทาศิกขาสามคือการกําลังดําเนินในการไปวิจัยสิ่งเหล่านี้เป็นมรรคเป็นต้นอะไรเนี้ย ที่แกให้ถึงนี้เราที่เป็นมรรคพิจารณาโอ้พระเจ้าตรัสรว้นี่อันสัมมาสัมพุทธโธ ท, ที่เราเข้าใจคือบทนี้เองเข้าใจไหมนี่มองเห็นอย่างนี้วิปัสสนาญาณเกิดไหมนี่ไงจะไม่ลุ่มหลงในปรมัตยและเป็ญอยาเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอาศัยคําว่าสัมม า, มาสัมพุทธโธแล้วเข้าใจดูเป้าหมายด้วยความเข้าใจในร่างสัตนี้ทีนี้พอไปพิจารณาอย่างนี้ก็ไปแยกเนาะเออมหากุศลที่เกิดขึ้นเป็นตัวพิจารณาเนี่ยไปแยกยังไงดี มหากุลที่เกิดขึ้นในการที่ไปวิจัยไปแยกแยกไปพิจารณาเหล่าเนี้ยถามว่าในมหากุศลที่มีคุณของพระเจ้าเป็นต้นเป็นอารมณ์เหล่านั้นน่ะตัวมหากุศลเหล่านั้นน่ะเป็นมหาคุศลจิตวิบากใช่ไหมมหาคุลนั้นมีเวทนาอยู่ในนั้นไหมโอเวทนาเจตสิกที่อยู่ในมหากุศลเหล่านั้นเป็นเวทนาขันไม่ละโอจิตที่เข้าไปวิจัยเนี่ยก็มีเวทนาเป็นเวทนาขันมีสัญญาเจตสิกอยู่ด้วยไหม สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์ศรัทธาเจตนาปัญญาเป็นต้นที่ตามระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นสังขารลขันธ์เนาะมีวิญญาณคือตัวจิตนั่นแหละเป็นประทัดฐานของนามธรรมเหล่านั้นเป็นวิญญาณขันธ์นี่ยังไงนามขันธ์สี่นามขันธ์สี่เหล่านี้อาศัยรูปธรรมอันนี้แหละอันต่างว่ากายาวาหนาเคลื่อนนี่แหละ กำลังดําเนินไปอยู่มีหัตยวัตถุเป็นฐานรองรับนี่แหละโอ้นามาทํารู่ประธรรมเป็นไปในลักษณะนี้แท้ที่จริงจิตที่ไปไข้ควรคุณของพระุทธเจ้านามธรรมทั้งหลายที่ไปไข่ควรของพระุทธเจ้าสัตว์บุคคลไข้ควรไม่มีเห็นไหมแท้ที่จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันต่างด้วยมีสัจทินรีย์มีปัญญรียและมีเจตนาเป็นต้นนะเนี่ เรืมีนสี่ห้าเป็นต้นนะ่ะในการที่ไปน้อมและลึกถึงคุณของพระพูทมีพระเจ้าเป็นอารมณ์นั่นเองแท้ที่จริงนำ ม, รรมาทำมาใัยรูปธรรมเหล่านี้เป็นไปนั่นเองการบัญญัติว่าตัดกําลังเจริญพุทธคุณก็มีอยู่แท้ที่จริงเป็นกลุ่มของขันห้านี่ยังไงเราแยกแยะพิจารณาใหค้ควรได้แล้วนี่คือนามาทำรูปธรรมนี่คือรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณซึ่งไปพิจารณานี่ตอนนี้ไปพิจารณาอะไรนะใช่ไหม พิจารณาสัมมาสัมพุทโธในส่วนของการเป็นเหตุเป็นผลถ้าส่วนเป็นผลกล่าวคือสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานได้แก่อะไรสัพพัญญุตยานได้แก่มหากริยาญาณสัมบยุทธอา้ามหากริยาญาณนสัมบยุทธจิตวบาทรตรงนั้นก็คือเป็นวิญญาณขันใช่ไหมเวทนาเจตสิกในสัพพัุตยานก็มีสัญญาเจตสิกก็เป็นก็มีก็เวทนาเจตสิกก็เป็นเวทนาขัน สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลืออีกสามจุดสามเป็นสังขารขันใช่ไหมสรุปแล้วก็โอ้ไปพิจารณาเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันแท้ที่จริงอันนั้นนั่นเองแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ถูกบม่มอัคยาศัยมายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัั จึงเรียกสภาวธรรมเหล่านี้ว่าสัมมาสัมพุโทโธแท้ที่จริงขันไปพิจารณาขันเป็นอารมณ์นะไม่ใชพิจารณาขันเป็นอารมณ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นตั้งอยู่บนรูปธรรมเนะมีหาพยาวัตถุและมหาพูทธโลกที่เกิดจากกรรมจิตตัวตัวฐารในอดีตโอ้รูปธรรมเหล่านั้นตามพระธรรมคําสอนที่เราน้อมนึกจากพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาจากสาวกของพระศาสด า, า, าที่ปรนนาก็ไว้บอกว่า มีความงดงามประดับไปด้วยมหาปุริสระขนาด 3.2 ประการและอนุพยัญชนะ80นั่นไงคือองค์ของพระพุทธเจ้านั่นไงสัมมาสัมพุทธโธนี่ไงคือพยานของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัพพัญญตยานที่เรียกว่าอน า, นานาวานัญญาณเป็นต้นที่ไม่มีอะไรมากีดขวางสามารถทะลุทะลวงได้ทุกอย่างสัมมาสัมพุทโธกาวคือสัมปยุตยานเหล่านี้หรือมากิริยญ า, านะสัมปยุตเนี้ แทงตลอดทะลุทะลวงทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังฆตธรรมและอสังคตาธรรมทั้งสิ้นแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นแทงตลอดสังขารและโลกทั้งสิ้นแทงตลอดสัตวโลกทั้งสิ้นแทงตลอดโอกาสโลกทั้งสิ้นโอ้ยสมมาสัมพุทโธประเสริฐแท้กระแสนามธรรมของเราได้เกิดความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจยังนี่เป็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยความเป็นขันในพิจารณาขัน ขันของเรายังไม่บริสุทธิ์แต่ไปพิจารณาขันของบุคคลที่บริสุทธิ์ขันของบุคคลที่บ่มเพาะบารมีมาตั้งยี่สิบประสงค์ขายยี่สในแสนมหากับเราจะทํากระแสรูรปธรรมนามธรรมของเราเนี่ยให้หมดจดตามสัมมาสัมพุทโธให้ได้เขาจยังมีผู้เดินตามเนี่ยเราจะออกจากบ้านจริงๆใช่ไหมออกจากเรือนคือราคะโทสะโมหะเนี่ยออกจากเรือนนั่นคือออกจากกิเลสเห็นไหมออกจากเรือนคือออกจากการมรรค น้อมก็หาเนคขมะเนคขมะก็คือตึกออกจากการตึกออกจากการไมร่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ตึกออกจากความโกโรธเป็นต้นเหล่านี้ยน้อมระลึกถึงคุณของพระบรมศ า, ศาสดาในลักษณะนี้โอโยย้หเห็นแต่เป็นรูปเห็นแต่เป็นนามจริงๆเนาะเห็นแต่ Vish ned? เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในการที่ไปคิดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาสิตรงนี้เออแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเจตนา มีศรัทธามีปัญญาแล้วจะมุ่งมั่นในการขาจัดขันเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ให้ได้ออขันพิจรารณาขันเป็นอารมณ์เนี่ยเอาขันที่ยังไม่บริสุทธิ์จะเดินตามขันที่บริสุทธิ์ไข้ควรตามขันที่บริสุทธิ์เห็นอริยสัจจะทําทั้งสี่ตามขันที่บริสุทธิ์เพื่อจะบรรลุอริยสัจสี่ตามขันที่บริสุทธิ์ให้ได้จักบรรลุตามสัมมาสังขุธโธให้ได้อย่างนี้เครียกสภาวะสังขะกําลังจะเข้าสู่กระแสจิตใช่ไหม น้อมละลึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆใคร่ควรไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเห็นในความเป็นขันนี่ยังถ้าเห็นอย่างนี้เบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแยกแยะได้โอสัตว์บุคคลไม่มีเห็นไหมการสมมุติบัญญัติเป็นอย่างนี้นี่มีแต่ธรรมะล้วนๆนั้นกำลังเป็นไปอยู่แต่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอกุศลด้วยเป็นธรรมะที่ปราศจากอกุศลด้วยกําลังเป็นกุศลในการที่จะเดินตามสัมมาสัมพุทโธก็ละลึกไปเป็นในลักษณะอย่างนี้ ถามว่าจะคิดอย่างนี้เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีบรรลุได้ไหมเนี่ยไม่บรรลุได้เห็นไหมตรงเนี้ยเห็นด้วยความเป็นขันไม่ชัดเจนเอาอายตนะมาใคร่ครวญเอาสิใช่ไหมทําไมชัดเจนเอาอายตนะมาใคร่ครวญมหากุศลจิตแปดวงเนี่ยเป็นมนาอายตนะเอาสิเวทนาเจตสิกสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกับเออเวทนาสัญญาสังขารที่ประกอบกับจิตเหล่านั้นเป็นธรรมายตนะเห็นไหม มองเป็นอายตนะก็ได้มองเป็นธาตุได้ไหมจิตเป็นมนุยานธาตุเนี่มหากุศลในจิตเนี่ยเจติกที่ประกอบก็เป็นธรรมธาตุเห็นไหมเป็นอินทรีย์ได้ไหมเวทนาที่ประกอบในมหากุศลสมนัสเป็นสมนัสินทียเวทนาที่ประกอบกับมหาวิบากที่เป็นเวขาเป็นมหามหากุศลที่เป็นอุเวขาเป็นอุเปกขาอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมมหากุศลจิตก็เป็นมะนินทรีย์ มีศรัทธามในนะั้นศรัทธาเจสิกเป็นวิริยะเจสิกในนั้น